มาจากที่ไหนอันนี้บ้านสุขาวดีค่ะนัทยาอันนี้โรงแรมเพือป่าอยู่ในบ้านนั่นเลยเลยค่ะเดี๋ยวพัดยามาเลยค่ะอม่ที่สุขาวดีค่ะเจ้าของอ๋อปฏิบบอกชเ้ามาหลายครั้งแล้วที่บ้านมีอะไรบ้างอะจะได้สิศักดิ์สิทเยอะที่บนพระอาจาร์ไป อาจารย์จะว่างไหมคะยังไม่ไม่เคยคิดเลยฉันอยาจะถามดูอยจะถามดูว่าเจตนาลมของการสร้างบ้านนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้คนไทยได้ภาภูมิมาหาว่าเรามีบ้านแบบว่าสวยๆไม่น้อยหน้าฝรั่งอะ่ะหมันใชลล์ค่ะเพราะว่าเราสร้างเหมือนทางนี้ค่ะตะวันตกไฮยูโรก่อน แล้วมีกี่ชั้นนะมีกี่ชั้นบาสองชั้นแต่มีอาคารส่วนใหญ่หัดสองชั้นแล้วก็มีอาคารอีกอาคารหนึ่งนะคะก็เป็นอาคารห้าชั้นนะคะเอแล้วก็มีพ่อแม่คนอินมาค่ะค่ะที่นค่ะที่น้ำมัสการอยู่ค่ะชั้นบนสุดเป็นชั้นที่หกชั้นที่เป็นอาคารที่ให้คนเปิดให้เข้าไปดูนี่แหละก็มีเปิดอยู่สามอาค่รนะคะโซ่ เป็นอาคารเจ้าแม่คุณอิมแล้วก็เป็นอาคารสุขภาบารมีนะฮะมีข้าวลมสริที่มีกระสุนะอันนี้อหนแล้อันนี้อรนนี้ก็เป็นอาคารตรมพระสองเลยว่เป็นพระพุทธรูปทีนไปชี้ดินไปดูนะคะอันนี้ที่เป็นของของดรปัญญาอรนี้ใช่ออ เพราะเมื่อหลายปีก่อนเคยเคยมานิมนต์ให้ไปครั้งหนึ่งไปไปไปสวดไปทำพิธีอะไรไหมครับตัวอาคารที่เป็นหกชั้นนี้เปิดให้คนเข้าไปชมหรอือเปล่าเปิดทั้งหมดเลยว่าวใช่ปะ เขาเก็บค่าผ่านประตูอะไรป่าค่าปัดท่านหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ่าสำหรับทุกคนน ะ, ะอืมก็มีคนไปดูเยอะไหมก็ก็โอเคนะฮะแต่ช่วงนี้ลดลงนะคะ่ะเพราะว่าทัวร์มีปัญหาค่ะทัวร์จีนมีปัญหาเพราะว่าเรามีลูกค้าก็ถ้าเป็นคนจีนก็ประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คนไทยประมาณยี่สิบ ก็เหมือนกับที่วิหารเซียนนี้ก็มีที่คุณชื่ออะไรไหมครคุณแตว๋วมชื่อคุณแตว๋ว<า>ชื่อคุณต้อยเ ป, อเป็นเพื่อนกันอ่ก็มีเจตนาคล้ายๆกันก็คือเป็นสถานที่ให้คนไปชมความสวยงามต่างๆข้างในอาคารมีอะไรที่สวยงามมาก มีภาพว่าเรื่องมีมีรูปมีรูปปั้นเรื่องเรือเป็นสถาย์สถาปัตยในตัวอาคารคนก็้าไปดูอะไรกันก็ดูความสวยความงามสวนจัดสวนสวยแต่แล้วก็จะไม่กวนอิมที่ไ่ไห้ใช่ไหมใช่องค์ใหญ่ไหมใช่ไม่กวนิมเอยก็ใหญ่ก็อะไรนะสูงย์เก้ามตรี่สิบแปดเอ่าอยู่ในตัวอาคารเนี่ย ความเชื่อในเจ้าแม่กุนอิมก็เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงไหนรู้หอยู่ในเมืองจีนใช่ไหมยังไม่มีใครไม่มีใครรู้เมืองจีนจะเป็นเทพที่ใหญ่ที่ว่าเขานับถือกันมาเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนนะคะท่านจะ เปนแบเซียนรึเปล่าเสียนพวกคนจีนจะนับถือเสียนใช่ค่ะปัญญาประวัติที่ไม่ยาวอ่ะค่ะอก็คือเดิมทีนะฮะมีสิบเอ็ดไล่ค่ะก็เออย่างเงี้นะหนูเป็นคนรีเริ่มเองค่ะที่ว่าให้มาซื้อที่นี่ยค่ะเพราะว่าอะไรนะเจ้าของที่เก่าเนี่ย เป็นผู้พิพากษาแล้วก็คือเป็นหมอด้วยเี่ยค่ะเขาโดนฟ้องลมละลายแล้วเขากระโงมาหาหนูเนี่ยแหละค่ะโยมโต้เนี่ยค่ะกรโทรมาให้ช่วยก็เลยไปบอกกับท่านประธานนะดร ป, ปัญญาชลเทวันเนี่บอกว่าให้มาช่วยดู ห, หน่อยอะไรเงี้ยเหมือนมาช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ก็คือเหมือนถ้ารับแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนะฮะก็เลยลงมาดูหนูเป็นคนพามาเองนะคะเพราะหนูเป็นคนจังหวัดชนบุรีนะพื้นเพนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูแล้วก็คือมันเป็นที่ตาบอดมันไม่มีทางออกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เดิมมีสิบเอ็ดไล่แล้วมันจะมีดอกไม้สีขาวเต็มไปหมดเลยหนูก็เลยให้ ให้ชื่อบ้านเนี่ยก็คือเดิมจะสร้างแค่หลังลงเล็กๆเองน ะ, ะ่ะก็ชื่อสุขขาวดีนะคะเป็นบ้านสุ ข, ขาวดีนี่คนเรียกไปเรียกมาเลยสมานเป็นเป็นสุขาววะดีก็สุกแล้วก็เป็นขาวท่แล้วก็ดีเว่ก็เป็นทาติดกันมันก็กลายเป็ ข, ขาคนเรียกไปเรียกมาฤษมาน ก, กันเป็นสุขาววะดีเดิมมาชื่อสุขขาวดี<ะ> ค่ะเนี่ยค่ะเป็นที่มาแล้วหลังจากนั้นก็คือหมอวพีดเนี่ยคือเขาสร้างแล้วเขาก็จะสร้างพระแม่กุอิน์ด้วยแต่เขาสร้างสามครั้งแล้วไม่ไม่สําเร็จออฟ้าผ่าครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสองครั้งไม่รู้เขาก็มีอันเป็นไปเนี่ยอค่ะเหมือนเขาบอกว่าไม่มีบุญบารมีพออืออก็เลยให้ท่านประธานเนี่ยค่ะท็อปเปิ้ลหยางมาสร้างต่อ หลังจากนั้นท่านสร้างเสร็จแล้วเอ่อหลังจากตุ๊กสิบได้ประมาณไม่กี่อาทิตย์อะฮะก็มีคนที่บ้าอะไรนะบ้านอะไรใกล้เรียนเคียงอะอยู่ห้าสิบถึงหกสิบปีเขาก็เอาโฉนดมาคืนท่านดรปัญญาเหมือนให้ซื้ออะ่ะว่าเหมือนเอามาคืนนะเจ้าของเก่าเนี่ยจนอะไรนะท่านซื้อจนติดทะเละก ถนนสุขุมวิทรวมทั้งหมดตอนนี้เป็นแปดสิบห้าไล่์เพราะตอนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศหรอกหนูไปอยู่กรมที่เดนรับค่ะเปิดส่วนถำไหหายาอค่ะจนจนจนครบแปดสิบห้าไล่เนี่ยค่ะเป็นที่มาที่ไปแล้วหลังจากที่พระแม่กุนอิมยังไงนะเสด็จแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรืยๆจนนับปัจจุบันนี้ค่ะท่านเพราะวันที่อะไรนะท่านมาประทับที่ที่เราเปิดเลิกเปิดชายก็มีตัวต่ออยู่ข้างบนบนบนว้าเลยค่ะบนบนโดมที่ที่เป็นที่เป็นดอกบัวทองคำเลย อ, ะอ่ะพอดีท่านประธานน่สร้างไว้แล้วตัวต่อก็ไปเกาะอยู่ ประมาณกับสามร้อยตัวค่ะพอท่านประธานเดินไปตัวต่อค่อยปีนออกมาทีละตัวทีละตัวพวกข้างเชื่อมก็ทําเก็บสีเก็บอะไรไม่กล้าทำวิ่งออกมาบอกป้อยเนี่ยค่ะขุดป้อยช่วยเรียนท่านประธานด้วยว่าผมไม่หยุดนวันนี้ผมเพราะผมไม่มาทํางานนะผมกลัวตัวต่อ<ม>เสร็จแล้วท่านประธานก็มีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะป้อยไปบอกท่านท่านก็มาดูท่านก็ไปแบบ น่าจะมาที่พับหนึ่งแต่รูไม่กล้าไหวหนูอยู่ข้างนอกนูกลัวท่านประธานก็ไปสงบสติหรืออะไรรู้แหละส่งกระแสจิตเ่ยประมาณสิบนาทีเนี่ยตัวต่อก็บีนออกไปทีละตัวทีละตัวจนหมดเลยแล้วก็มีคนเอารูปไม้แกะสลักอ่ะที่เป็นที่เป็นอะไรนะอาสิวะปะไม่ใช่ เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นสิ่งีไยคะแต่อายุพันสามร้อยปีเป็นไม้เนื้อของอมเขาก็เอามาให้ท่านประทานเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนจับเบื้องบนสั่งมาให้เอามาให้ให้พระแม่อือแล้วท่านก็เอ๊ะเหมือนเหมือนเราปกติสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงาเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหยคะ เขาบอกว่าต้องรับต้องรับท่านประธานเขบอกไม่รับไม่รับไม่รับก็อยู่อย่างนี้หนูก็เลยถ้าเถียงกันอย่างนี้ก็คงไม่จบหนูก็เลยโทรไปหาพี่พ่อของคุณต้อยที่เป็นปู่เซียนนะฮะ ท, ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็เลยแบบว่าเชิญให้ท่านไปดูว่าสมควรที่จะตั้งไว้ตรงไหนก็ผลปรากฏก็ไปดู เออไปดูถึงถึงเก้าครั้งเนี่ยค่ะครั้งที่เก้าเนี่ยท่านท่านจะไม่กดยิ้มถึงจะประทับใจอืยังยังบอกว่าถ้าเกิดยังเหมือนว่ายังไม่ได้อ่ะท่านประธานก็ไม่เอาจะคืนอืครั้งแรกก็ไม่ได้ครั้งสองก็ไม่ได้ครั้งสามก็ไม่ได้จนเบาสงสัยจะไม่มีบุญรับแล้วแหละ พอมาถึงครั้งที่เก้าโอเคไว้ตรงเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเวลาท่านมองไปอย่างเนี้ค่ะแล้วก็อยู่ด้งนหน้าท่านเนี้ยวันตั้ถึงเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงขวาแล้วก็มีองศาด้วยนะคะอืรู้สึกจะหนูจำไม่ได้แนละ้วแต่จุดสี่สิบห้าค่ะจุดส <40 S 2> ี่สิบห้าสี่สิบหาองศาเหมือนมั น, มนเป็นเป็นเขาเรียกว่า เหมือนเป็นทิศดีไม่รู้ะนะเพราะห้ากับสี่มันบวกได้เก้าใช่ไหมฮะผมจำได้แค่เ <laughs> <laughs> นี้ยเป็นที่มาที่ไปดีเยอะมากเลยที่นี่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบที่ 8, แปลกๆอะไรอย่างเีม้มีพญานาคมีอะไรรู้ผมเคยเห็นพญาน า, น า, นานนะคะ้วยนะฮะ ที่ที่หน้าบ้านให้เะเใช่ตัวสีแดงตัวสีทองหนูก็เลยให้เขาสร้างขึ้นมาอะไรแปดตัวที่เราพาไปไหว้ข้าวเห็นปะเห็นปะข้าวคุณปุ้ยชอบเนช่แล้วก็ทุกวันเสาวหนูก็จะเอาไข่ดิบไข่ดิบใช่ไหมฮะ99ฟองไหว้ไหว้ให้ท่านไหว้เทวนาไหว้ไหว้พระยานาไหว้พยานาตัว แปดตัวเปดตัวุณจิงก็ชอบแปดแปดที่เหมือนวันไม่มีวันที่ชิดสุดก็ดีแล้วเหมือนไอ้ทราบท่านจะมีอะไรแนะนำด้วยเปล่าคะเผือท่านนั่งแล้วท่านเห็นอะไรอย่างนี้แต่เห็นยังไม่แต่เห็นยังไม่ลงมาถามอ่เสียเ็น ของทางสายวัดป่าเขาไม่ได้มองข้างนอกเขามองข้างในมองข้างในมองข้างในใจจะมีอะไรให้ให้แบบปรับปรุงแก้ไขอะไรนะคะยินดีเลยค่ะอ๋อไม่ไม่กล้าไปที่จะไปเสนอแนะอะไรคุณัวกไปทำดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมชอบอป็นได้ธรรมะทางธรรมานี่เราจะเน้นมองข้างในมองใจ อง ด, ดูใจสงบไหมใจมีความทุกข์หรือไม่ให้มองตรงนี้ ผ, ผ, นผ่านมาหมดแล้วค่ะอผ่านมาหมดแล้วจุดตรงนั้นนะเลผ่านยังไงเ <c oughs> จ, <c oughs> จอวิกฤตเลยคะเจอวิกฤตทุกรูปแบบแล้วฮะยังไม่หมดนะยังมีมาอีกเยยังมีมอีกใช่ตายได้ยังไม่ตายนี่มันก็ยั ง, งแต่ที่ว่าร้ายแรงมากๆ่ะ ไม่ก็มันก็เขาเจอเหมือนกันก็เจอมาหมดแล้วปีเพรว่าทําใจได้แล้วต่ปีห้าหกข้าเจ็ดตั้งแต่ห้าห้าอะไรเงยเจอมดหมดแล้วคะยังยังมีความแก่ความเจ็บความตายเราถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะฆ่าตัวตายไปแล้วล่ะค่ะเออแต่หนูก็ได้ธรรมะนี่แหละค่ะหนูได้ใช่เดี๋ยวต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมาอีกปกติใชนไหมมันปกติใช่ทําใช่มันปกติก็ต้องมันจะทําใจได้หรือเปล่าเอ ถ้าทำใจได้มันก็เป็นธรรมดาถ้าทำใจไม่ได้ก็ก็ทุกข์เหมือนกันทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเป็นของเราอร่างกาย ก, ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ทุกอย่างหนูก็บริจาคให้สภาก า, กาชาดไทยหมด อรจานี่กายไปจากหมดประจานหดขาทำร่างกายทุกย่างค่ะใช่มีเป็นการที่สองหีเฉยไปจากหมดวันนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนเราอ่าก็เป็นแค่อาการสามสิบสองนทำมาจากดินน้ำลมไฟใจนี้หละเป็นตัวสำคัญใจนี่หละที่จะไปนิพพาน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 บอกับนบอกกับคุณพ่อไม่เอาไม่มีการเอาไปได้หรอกไม่เอาเออของทุกอย่างที่แต่ว่าก็มีมีพ้าเลยที่เขาดูได้ค่ะท้องก็บอกว่าทุกวันนี้คือเหมือนอันเนี้ยเป็นของหนูนะอเมื่อชาติที่แล้วอ่ะหนูดูแลตรงนี้อยู่เป็นสมบัติของหนูนะถ้าหนูไม่อยู่อ่ะสุขภาวะดีคงจะแย่เลยแม่หนูก็ไม่เชื่อหรอกหนูว่า ทุกวันนี้หนูคงไม่มีบุญบารมีถึงขนาดนั้นหรอกที่อยู่ได้ก็เพราะด็อกอร์ปัญญามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนทุกวันนี้หนูก็บริหารก็ช่วยๆก็มีไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนคนนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะคนงานเยอะมากกถ้าเกิดว่าไม่มีเขาจะทํางานที่ไหนกินอะไรอืใครังช่วยก็ได้เยอะอืม แล้วก็ยังเชิหน้าชูตาประเทศไทยใช่ไหมฮะพวกตัวน่าอย่างเงี้ยเขาก็บางไทยก็จะมีแบบเ อ, อ่ออะไรสวยๆประสาทสวยๆให้ดูบรรยากาศดีิมทะเลอะไรอเงี้ยสวยๆแล้วมาถ่ายหนูก็เป็นเรื่องของทางทางภายนอกมันเกิดหนูอยู่ ก, ก็เลยซื้อของมาให้พ่อแม่เพราะว่าร่วงรับไปแล้วอ่าได้ เดี <Stella> ๋ยวก็ส่งไปเป็นบุญส nope ่งไปเอาของมาทำทาบุญก็จะได้บุญบุญนี้ก็สามารถส่งไปให้ผู้ที่รวรับไปได้มีอะไรอยากจะถามไหมาที่นี่อยากจะดรู้อะไรบ้างก็เพิ่งมาัางนี้งแรกอะค่ะ ก็อะไรเพิ่งเพิงมีอะไรบุญพูดพูดพูดกับเขาเขาอยากมาเลยอ่ะค่ะเขาเขอยากจะพามาเลยอก็คือไม่ลังเลเลยเขาพามามากค่ะที่นี้ของของเราก็มีของหมอดศจรนต์แต่เป็นของธรรมชาติใชอย่างนี้ผมชอบนี่นี่คน้องชายของพึ่งเสียน้องชายเขาจะทําบุญที่วัดป่าคือคือจะอยู่สายบุญตลอดเลยอะค่ะจะจะประจำหัวช่องหลอด ตัววัด่าสุธิตัววัดตาสุธิเป็นสี่คนโตหลพ่อโบเกตอือสีอโควจุนมนาะพระเดียอ์เขาเพิ่งสร้างสร้างครับ่าไก็เสร็จพอสร้างพระเสร็จไปสามวัดก็ไปเลยไปเนาะใช่ปแปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าธรระทั้งโมฆาขจุนมนจะนั่งไดปัสนาถ้าเขาางเขาจะนั่งถ้านั่งสมาธิไปก็ไปดี เขาไปดีตาเขาสดใสมากไปสวรรค์ที่สุขาวดีนี่ก็ติดกับว่าช่องลมเลยใช่ไหมติดกันเลยนะจะมีถนนขั้นนะถนนขั้นมีซอยซอยขั้นอยู่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 ปัญญาบาลมีนี่บาลมีที่จะส่งให้จิตใจเราได้ไปสู่พระนิพพานหลังจากที่เราออกเดินทางไปจากร่างกายนี้ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็กลับมาทําต่อบารมีเหล่านี้ไม่สูญเปล่าเราเอาติดตัวไปได้เช่นเมตตาบาลมีทานบารมีเอาไปได้ แล้วเวลากลับมาก็มาทำต่อเพิ่มเติมต่อไปให้มันครบเต็มร้อยเหมือนกับเหมือนกับเรียนหนังสือเราย้ายบ้านย้ายเมืองเราก็ไปเรียนต่ออีกบ้านอีกเมืองหนึ่งได้ไม่ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลอยู่ปหกก็ต่อปเจ็ดได้บางมีต่างๆอย่างเจ่าแม่กุนอิมนี้ท่านก็เป็นพระ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 มีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยตนเองเห็นทางสู่พระนิพพานเห็นมรรคที่มีองค์8ดว่าเป็นทางสายกลางทางที่จะนําผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าจะเกิดในภพที่ดีในก็ยังเป็นภพที่มีความทุกข์อยู่เพราะมันเป็นภพที่ไม่จีรังถาวร เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีก็เดี๋ยวแก่ก็เจ็บก็ตายไปทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่หามาได้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้นอกจากเอาไปเปลี่ยนเป็นทานบา ร, รมีถ้าเปลี่ยนเป็นทานบา ร, รมีก็เอาติดตัวไปได้เหมือนพระเวชสันดรท่านก็บังเพนทานบา ร, รมีพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วพอลงจากสวรรค์มาก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็มาบำเพ็ญบารมีต่อจนได้ตัดสรมฤ บ, บารมีอันสุดท้ายที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญก็ปัญญาบารมีเนะี่ยที่ทำให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากจึงทำให้ท่าน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 และสถานที่ที่ได้ไปนี้เป็นสถานที่ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนภพอื่นๆที่ไปแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นพรหมแล้วก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทา ก, เทก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์พอบางเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญสร้างบารมีกันใหม่พพของมนุษย์นี้เป็นเหมือนที่เต็มน้ำมัน เวลาเราเดินทางไปทางไกลนี่เราจะต้องแวะจอดตามทางเพื่อเติมน้ามันเพราะว่าน้ามันที่เราเติมในรถเดี๋ยวมันก็หมดถ้าเราไม่เติมแวะจอดเดี๋ยวรถก็ตายวิ่งไม่ได้ขับไม่ได้ก็ต้องเดินก็ลำบากคนที่ไม่แตมบุญบารมีก็เป็นเหมือนคนที่ไม่เติมน้ามันรถยนต์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 เราก็ต้องไปต่อไปเพราะว่าบ้านต่างๆที่เราไปแวะอยู่นี้เป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้นเองไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากบ้านนั้นไปมีบ้านที่เป็นของเราที่ถาวรก็คือพระนิพพานถ้าเรายังไบไม่ถึงพระนิพพานเราก็ยังต้องมาสร้างบุญบรารมีกันต่อไปชานี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับพระพุทธเจ้า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 หมือนกัเวลาเราไปถึงปั๊มน้ํามันแทนที่เราจะไปเติมน้ํามันเรากลับไปอ่ากินขนมไปกินอะไรกันแล้วเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยไม่ได้เติมน้ํามันฮอย่างนี้เดี๋ยวปวดไปกลางทางยังไม่ถึงปั๊มน้ํามันต่อไปก็หมดซะก่อนนะดังนั้นเราอย่าลืมว่าเรามาเติมบารมีกันเราจะหาความสุขบ้างก็ได้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 ถ้าเราอยากจะได้อูเบฆาบารมีคือใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเราต้องอถือศีลแปลแล้วก็มาฝึกนั่งทําสมาธิทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วใจจะเป็นกลางจะใจจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรก็ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่ได้ยินใจของเราทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันก็เพราะเราขาดใข่ขมขมะขาดอุเบกขากันพอเห็นอะไรแล้วความรักชังมันจะมาทันทีเห็นเห็นสิ่งที่ชอบก็รักเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ชัง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 ถ้าไปยึดติดเวลาเขาไปก็จะเสียใจถ้าไม่ยึดติดเวลาเขาไปเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์พระพุทธศาสนามีเป้าหมายสอนอยู่สอนอยู่ตรงนี้สอนสอนที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเหตุการณ์ต่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรเราเลือกไม่ได้ว่าจะ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 เวลาใจแข็งนี้ก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจจะสบายแต่เมื่อใจไม่แข็งใจนิ่งๆเราต้องมาฝึกทำใจให้นิ่งกันวิธีจะฝึกทำใจให้นิ่งกันเนี่ยนั่งสมาธิกันมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไป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 นี่คือสิ่งที่เราควรจะมากระทำกันเพราะใจของเรานี้ตอนนี้มันยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่มันยังไม่นิ่งมันยังมีอาการต่างๆเวลาที่ไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจดีใจก็ไม่ดีเพราะดีใจแล้วเดี๋ยวพอมันหายไปก็เสียใจอีก เสียใจก็ไม่ดีเพราะไม่ชอบเสียใจกันไม่อยากจะเสียใจกันยิ่งเราต้องฝึกทําใจให้อยู่เป็นกลางอยู่ระหว่างความเสียใจกับความไม่เสียใจไม่แกว่งไปทางดีใจไม่แกว่งไปทางเสียใจใจจะไม่แกว่งได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมมีพุทธโธคอยควบคุมมีลมหายใจคอยดึงใจเอาไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้สติที่เราใช้เป็นเครื่องควบคุมใจนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเนี่ยเช่นพุทธโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติอดูลมหายใจเราก็เรียกว่าอานาปนาสติถ้านึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณ า, านุสติอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้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 เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้แก่งให้ใจนิ่งให้ใจเป็นอุเบกขานี่เรียกว่าบารเมแล้วถ้าอยากจะให้มันไม่แก่งตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้สติมาคอยควบคุมก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการสอนใจให้ปล่อยวาง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 ไม่ไม่เสียไม่จากกันเอของพวกนี้มันต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องจากกันของพวกนี้จะต้องมีวันเสียเห็นไหมว่าเราเสียพี่ชายไปแล้วะต่อไปเราจะเสียใครกันสุดท้ายก็ต้องมาเสียร่างกายของเรานี้ไปถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์กับ ก, การสูญเสีย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 นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของเจ้าแม่กุลอิมก็เหมือนกันต่อไปเจ้าแมาก่กุลอิมก็จะมาตัดสรุ้มาเจอความจริงอันนี้เจอทุกข์สมุทัยนิโรธมากก็จะมาสอนแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นทางที่นำไปสู่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 อยากชำระใจได้ก็ทั้งทาบุญก่อนละการการทำบาปก่อนสามขั้นทาทําบุญละบาปแล้วก็ชาระใจให้บ่อยสุดเมื่อบ่อยสุดแล้วก็ไปถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม่ว่าใครมาตัดสั้รู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะรู้ความจริงอันนี้ รู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกต้องเกิดจากการทำบุญละบาทรํทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะเรปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตถินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดวเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปะ จันโทปนะระโสยธามณิโจตีระโสยธาสพีติตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทสานิจจังวุทธาปจายโน จตารุธรมมวัฏานเติอายุวนโนสุขังพาลางังเนคัมกก เนคขมาบารมีก็คือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถือศีลแปดนี่เขาเรียกไปบวชเนคขมไปไปเป็นพรหมไปไปถือศีลแปดไปถือศีลแเพราะความสุขที่ได้จากการถือศีลแปดนี่มีความสุขกว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอความ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันไม่เที่ยง mm hmm. เวลาแพนจากไปก็ก็ทุก mm hmm. เวลาร่างกายไม่ดี mm hmm. ตาหูไม่ดีก็ท mm ุก hmm. แต่ถ้าเราไม่ต้องหาความสุขเรามีนิคัมมาบาลมีเราก็จะไม่ทุก mm hmm. เราจะสบายไม่เดือดร้อน mm hmm. นั่นก็คือ mm hmm. อ่า mm hmm. ไปถือที่ไหนล่ะ ก็ที่ที่วัดที่ที่พี่เคยทาบุญก็ที่บนเขาเคียวก็เคยนะกับพระอาจารย์ศัตด์จะทำอ่าไปอยู่กี่วันนาทีไปอยู่คืนหนึ่งหนึ่งอาทวันไม่ได้อะไระคะนเดือนนึงได้ทั้งไปได้อยู่นานๆถึงจะดีออ คืออยากจะนั่งสมาธินี่ต้องถือศีลแปดต้องไปอยู่ที่ส ง, งบวิบปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอะไอย่างเงี้ยใจก็จะสงบง่ายสงบแล้วก็จะได้อุเบกขาอุเบกขาก็ทําให้ใจเราเป็นเหมือนก้อนหินอใจเราจะไม่ไม่สะตกสะท้านกับอะไรอก็เฉยเอย่างนั้นเรียกว่าเนธเรียกว่าอุเบกขา ก่อนจะได้อุเบกขาก็ต้องมีเน่ฆัมมะ ก, ก่อนต้องถือศีลแปดแล้วพอมีอุเบกขาแล้วก็ถึงจะไปเจริญปัญญาต่อไปได้มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์เราก็จะปล่อยวางได้ไม่ยึดไปติดเพราะว่าเรามีของที่ดีกว่าคือมีอุเบกขาอุเบกขานี้จะให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากของต่าง ก็เลยทำให้เราเห็นว่าไม่มีของต่างๆเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีลาบยุทธสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขที่ได้จากอุเบคาที่ดีกว่าแล้วพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าลาบยุทสรรเสริญสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะต้องจากการหมดไปอมันมีวัน ใช่มีเจริญนี้เสื่อมท่านเรียกว่าโลกกระทำแปดเนี่ยเรานี่มาอยู่กับโลกกระทำแปดเกิลาบเจริญลาบเสื่อมลาบเอเจริญยศเสื่อมยศเเจริญเจริญสรรเสริญก็นินทาเจริญสุขก็ก็เจริญก็เจริญทุกข์ต่อมันสลับกันไป เ, นเวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุบเบกขาจะเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเรามีความสุขอันนี้เราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ต้องไปพึ่งเขาไม่ต้องมีอยู่กับความสงบดีกว่า พระพุทธเ้าผ้าล้างทั้งหลายท่านอยู่กับความสงบนั้นไม่มีลาบยศสรรเสริญท่านมีสมบัติเพียงแปดชิ้นมีบาทหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีที่รัดเอวหนึ่งชิ้นมีใบมีดโกนมีมีดโกนไม่โกนหนวดมีเข็มกระด้าไว้ซ่อมเย็บจีวรแล้วก็มีที่กองน้มีามมีแปดชิ้นเรียกว่าอัฏฐบริคาร อันนี้คือสมบัติของผู้ที่มีความสุขทางใจไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้นกายปีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันมันไม่น่าจะพอนะความจริงต้อง <c oughs> ต้องไปทุกเดือนนะ <c oughs> แต่หนก็ไปเนวันโกนวันพักก็นี่ค่ะปฏิบัติเอมั น, ม น, นโกนวันพนะักนั่งหนูไม่นอนที่นอนนะหนนอนกับ อ่าบางกับเพื่อนถือศีลแปดเนี่ยไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่อ่าอ่าดีจนะจนสาวพี่บอยเป็นปวได้ก็ต้องไปทังวันอย่างทุกคนก็ไม่รู้นะเพื่อนงงอ่ะก็มีเพื่อนทุกระดับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเขาไม่ขมรู้ว่าเป็นความสุขว่าบ้านยูจุยสไว้แต่แต่ป่วยแต่มาหา อก็คือเขาเป็นนางต้าให้ต่อให้ต่อใหเป็นข้าราชารทำด้วยทองคาถ้าใจไม่สงบก็ไม่มีความสุขเชื่อไหมก็คุดโอ๋อ่ะเล่าให้ฟังตอนแรกเขาบอกวูาแบบเหมือนไม่กล้าคบเนี้ยฮะเพราะว่ามาจากที่สูงก็เหมือนคุณหนูเป็นนางฟ้าอยู่ในคึ้นหาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะพอเราสัมผัสอ่ะก็ธรรมดางั้นก็ไปไปกันได้ใช่ไม่ใช่คือใช้ชีวิตง่ายๆเราก็คนที่ง่ายๆไม่ชอบเราไมเรื่องมาก่ะ คนที่มีความสุขที่แท้จริงเขาไม่ไม่วุ่นวายใช่อันนี้ไม่วุ่นวายง่ายเรียบง่ายเป็นดินเพื่อนๆควรนงงมาติดดินต้องติดดินจะไม่อะไรทั้งสิ้น นอนกับดินกินกับทรายได้แ้วก็ลุยได้ได้ทุกสถานะได้ทุกสถานะคนที่มีความสุขทางใจเขาไม่วุ่นวายกับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทําแล้วช่วยใครได้แล้วก็ช่วยแล้วพบใครแล้วก็มอบความจริงใจให้เขาเราอยู่ในกลุ่มกาชาดหันาจเราก็การ์ซื่อตรงซื่อสัตย์อไม่หลอกดวงกันแล้วก็ให้ความจริงใจให้ความเมตตาต่อกันเมา นั่นแหละเป็นธรรมที่ทําให้คนเรารักกันชอบกันคือความเมตตาเดี๋ยววันนี้เอาหนังสือธรรมะไปอีกกับเพื่อนที่กรุงเทพชุดที่เคยพามานะฮะชอบแล้วตอหลังให้เพื่อนมาจากกรุงเทพ่ะมาที่นี่มาหาท่านเราก็เอาหนังสือส่งไปเขาอีกออืก็ก่อนที่โอ๋ส่งไปก็บอกว่าคนเป็นมะเร็งก็เอาหนังสือนี้ให้อ่านให้เขาแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยได้เอาไปเลยเนี่ยมีไว้เพื่อเอาไปอ่านเป็นยารักษาโรคใจ มีธรรมะราบใจจะหายทุกนะเดี๋ยวมีในในที่อยู่ในหอ น, นั้นนะท่านตรงนี้วางไม่พอเดี๋ยวก็เพราะว่าไปก็จะส่งไปเพื่ อ, อดูเทพเพื่อเขียนจ ง, ง, งเลยใช่ไหมคือส่วนใหญ่พูดแล้วก็จะถอดออกมาจากเสียงอัดแล้วก็ชอบดีอันนั้นเมื่อก่อนนี้จะเป็นธรรมะโดนใจเล่มเล็กๆนะนะค่ะ อันนี้หมดแล้วหมดไปแล้วแล้ไก็ไปให้เพื่อนบ้าอะไรเงี้ยคนที่ชอบแบางเล่มก็เป็นของของตามหาบุตรท่านเป็นคนเขียนประวัติของก็เชิญนะเดี๋ยวจะให้คนเปิดทางเข้ามาหน่อยได้ไหมครับก็อยากจะเข้ามาถวายของใครอยากจะเข้ามาประเคนอะไรก็เข้ามา โรอเลมมมคะว้ดโอเคนะคะตัวใบปรลบานะออยากใบน้นเยนะ้องโลดสสอ่าอยากได้หนังสือดีก็อยูบเาเนะ ขายช่วงไหนเย็นๆนะ็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะช่วงนี้ยังได้ได้อยู่ครับก็เปิดทั้งวันเลยเปิดทั้งวันตั้งแต่ข้ามโมงอ่าก็ช่วงว่างก็พักผ่อนกันนั่งคอยกันช่วงนี้ก็โอเคก็ให้แดดเนยแม่ขึ้นไปนิดเออะไรประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวต่อไปเขาก็ทาเองได้ฮะก็พยายามห่างๆเขาบ้ง หนังเสือซีดีหย็บได้นะหม่ส่งไปวัดป่าที่เชียงใหม่เอ้เอาเลยอ เ, ลเอาเลยพี่ตู่ะฟ้าฝา์สายสิทธายสิทเต่ากี่เล่มเตาอย่างละเล่มเลยดาวหัห้ไ แตาี่าดไท้องเล่มเยม่เหมือนกันเอาไปทั้งสองเล่มเลยมีสองเล่มไม่เหมือนกันต้องการกี่ชุดสองชุดเลยไม่เหมือนกันเอาไปทั้งสองเล่มเลยได้นะ S <S น, น, น, นี่นี่นี้ยิบได้เลยหยิบได้ทุกเล่มเลยมีมีอยู่สองสามเล่มที่ไม่เหมือนกันลเล่ น, นี้เล่ น, นี้เหมือนกัน เ, เหมือนกันซีดีก็เอาไปได้นะถ่านต้องการซีดีตรงนี้มีแผ่นเองท่านจะป็นยัอ่เอาป เอาไปเลยเดี๋ยวเอาไปนัองแพ็กเลยก็ได้ใ่ไมไทยาน่มีที่มอบยูัทั้งอ่าแย่ไป ปร ว, ปวัตน้องกูขาวน้องตามาหาบัวเป็นคนเขียนวันนี้เป็นเทศกาลขายต้องสือ้อ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นซีดีเป็นซีเป็นทั้งปีเลยเป็นที่เทศทั้งปีปีห้าแปดเนี่ยไม่เป็นเทศที่คุยกันเนี่ยแล้วอัดเสียงอะอย่างว่านี่ก็อัดเสียงไว้เดี๋ยวก็ทําเป็นแผ่นออกมาคพะอาจารย์แผ่นเสร็จแล้วครับแต่ว่าอพระอาจารย์จะให้พี่ไก่เขวันไหนก็พูดเอาเข้ามาให้เราแล้วเราไปให้เขาเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์เดียว ไม่เป็นไรละเมื่อไหร่ก็ได้เรามาจะทำอะไรอยู่ในรถครับเดี๋ยวมาให้เราก็ได้เราจะคิดถึงว่าถ้าเผาที่นี่เดี๋ยวผมอาจจะใส่ใส่เสียงวันที่อของหน้าไฟาแต่ะไฟาใส่ใสในนยังไงต้องใจว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่หน้าไฟาแบบว่าเสียงเสียผู้หญิงก็ตามใจได้ถ้างั้นเนี่ยได้ครับงั้นเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอรอหน่อยก็ได้ไม่รีบรอนะหน่อยได้ครับเพราะเราเปิดมาก็จะได้รู้ว่าวัานที่เท่าไหร่ อันนี้ให้ไปเลยไม่ได้ไม่ต้องมาคืนคืนอ่านแล้วมอ่านแล้วก็แจกให้คนอื่นอ่านต่อใครสนใจก็ไปแจกเดี๋ยที่ธรรมะที่คุยกันที่เทศกันนี้ก็อัดเสียงไว้แล้วก็มาใส่เป็นแผ่นซีดีแจกกันแล้วตอนนี้มีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะเนี่ยตอนนี้บ้านสุขาวาดีไปทั่วโลกกันเนี่ย y ัน YouTube, Facebook เดี๋ยวนี้กำลังออกอย่างนี้ก็ไม่บอกคุยไม่เวลาเราเปิดกว้างใี่นห่ไม่มีความลับเดี๋ยวคนก็ไปเที่ยวสุราวดีขึ้นเขาบอว่าแผ่นหนึ่ง อันหนึ่งยี่สิบดตอนยิบแปดตันยังก็เยอะเยอะนะว่าหกร้ยเมกะเกนเจ็ดรอยมเกือบเกือบเกืร้อคุณต่อไปไปานาจ้าวว่าดีไยเไยไปตอนงานเลี้ยงเดี๋ยวงานเลี้ยงอะไรคะงานแต่งงานอะไรพวกนี้ครับม่อค่าจะไปเที่ยวแล้วแบบตอนงานแต่เวลามแต่งงานอะไรเงี้ยอี่ายเป็นงานเข้าจ้างย อ๋อไม่ใช่ครับไปไปงานแต่งาตงานครับมีงานแต่งงานเขามีจัดเจิญมาก็ไปอัมีไปแท น, <ป>แทนพ่อแม่อไรเงี้ยไม่ไดมีของผมเจอแล้วครับมีแต่พ่อไม่ให้ไปอ่าพีพัาจาร์จะถาอะไรบ้างปะปะปะเดี๋ยวจะมีคำถามที่ทางบ้านเขา ส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามต่ออยากยิมจะอยู่ฟังก็ได้หรืออยากจะกลับก็ตามมัธยายัสนะเพราะเรายังต้องมีต่อยประมาณชั่วโมงห น, น, นึ่งกอสนทนาธรรมผ่านทางทางเนี้ยยู YouTube, Facebook, ทูปเฟซบุ๊กก็ส่งข้อความเข้ามา อ่าได้อ่าได้ได้เมื่อถือได้เนี่ยไปเปิดมือถือติดตามสดตอนนี้ได้เนี่ยมีมีมียูทูบก็มีเฟซบุ๊กเข้าไปเข้าไปเฟซบุพระอาจารย์สุชาติเนี่ยเดี๋ยวนั่งรถไปก็เปิดดูได้ถ้ามีสัญญาณในีีเอาไว้เดี๋ยวจะแชร์ไป้ แล้วมือนจะเก็บเป็นเป็นไฟล์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวคืนนี้เปิดดูได้เดี๋ยวดูตอนต้นได้แต่ตอนนี้ยังดูไม่ได้เพราะเขาลังยังถ่ายทอดสดอยู่แล้วปกติอาจารย์จะมาอยู่ตรงนี้เหรออ่าทุกวันบ่ายสองโงอยู่ทั้งสองที่ตอนเช้าอยู่วันยาณตอนบ่ายขึ้นมาบนนี้สองสองถึงสี่สองส่สี่โม่ที่นี่อ่ะ แล้ yup, ตอนเช้าก็ประมาณ8ดโมงถึงใช่ใช่เป็นไหนเราว่าเราก็มาอยู่มาโมงาเอแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์เยอะเาวถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะคนเยอะรถบางทีขึ้นมาไม่ได้มาจากทุกแข่งทุกแข่งจังหวัดทประเทศจังหวัดมาใกล้มาไกลแล้วแต่แต่ทวิชาต่างชาติเยอะครับตั้งแต่มี Facebook Live มี YouTube เยอะขึ้นเยอะเลยมาที่นี่เลยใช่ครับเพราะอาจารย์จะตอบปัญหาษอังกฤษ หลักไเอยก็ก็เคยแนะนา้ดี้ท่าเอาเดู้ดูในประวัติท่านท่านจบับไตเใช่มอ๋อไม่ไม่จบปริญญาตรีนั่นเองไปเรียนที่ต่างประเทศไปจบที่ต่างประเทศแคลิฟอร์เนียจบที่ไหนคะเฟรชโนสอนอยู่ที่เรกาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียจบวิศวกรรมแต่จบแล้วก็มาบวชไม่ได้ทำงาน พระอาารบวชที่วัดยานเลยเหรอคะก็บวชที่กรุงเทพวัดโมวัดบมอันนซึ่งเป็นวัดวัดเดียวกับวัดยานเพราะพระสมเด็จมาสร้างวัดยานเมื่อเสร็จแล้วก็มามาเจริญธรรมะที่นี่แหละก็ไปศึกษากับหลวงตามหาบัวอยู่เก้าพันศาอยู่ที่อุดรธานีวัดป่าบ้านตัดไปแล้วฮะไปอยู่ที่นั่นเก้าพันษาแล้วก็มาอยู่ที่หน้ามัดถือ อายุราะเก้าสิบกว่าเก้าสิบเก้ามันเก้าสิบแปดตอนที่ท่านเสียตอเสร็จหลจากอยู่ที่นั่นก็มาอยู่ที่นี่ที่มาอยู่วัดมาอยู่วัดยานอ่ามาอยู่วัดยานอก่อนจะมาก็ไปอยู่ที่วัดช่องลมเออวัดโพธิสัมพันธ์ที่พัทยาอยู่ปีนี้อ๋อสงพันปีอ่แล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองเจ็ดตั้งแต่ปีสองเจ็ดอ่สองเจ็ด่นี้สามสิบสองปีแะวหนูมาอยู่พัทยาตอนปีสี่สี่อ ว่าท่านก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้หลวงพ่อมาพดมาเลยนะครับมาปวดมาวดแล้วไม่สร็เลยก็ธรรมะเนยพอได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วท่านอะไรอะไรจบพิชวามาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทางานมาธรรมะเลยแต่นี่ก็ช่วยคนได้เยอะนะคะ ช่วยคนให้หายทุกข์ให้บักกิเลได้พระอาจารย์ก่อนบวชท่านเคยไปอยู่ในวัดสวนก่อนครับวัดปาปุกะวันสมัยยังไม่มีอะไรเลย อ, อยู่ไปขอหลวงพออกกออ่อโบเกต่เดินแล้วหลวงพ่อก็แนะนำให้ไปบวช อ, อนนัเล่าที่วัดบวชแม่ไปวัดน้ำภาษาอังกฤษมีเขียนไว้อยู่น ะ, ะ my way my, my way <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนยูุคนเวลามาเมืนนไทยก็<า>ยชอบนถามว่าจะไปวิปัสนาที่ไหนดีเห็นที่รอนตอนเขามีวัดไทยไปวิปัสนาเราก็ตัดพยายามแนะนํามานี่ <c oughs> เดี๋ยวคราวนี้เอาหนังสือไปให้อ่านก่อนอ่านให้รู้ก่อนว่าคุณจะวิปัสนาเรื่องอะไรนตอนนี้คนต่างประเทศก็ยุติดตามกันก็มีสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอลาสเวกัสก็มีเพราะวันนี้มาแข่งละ คุณมังเอิญก็มาจากเซฟเซเลนรู้สึกติดตามทุกวันเลยคอท่านปวดกีพันษาแล้วปนเนี่ยปวดตั้งแต่หนึ่งแปดสี่สิบสองแล้วมั้งสี่สิบสองพันาอ่าสี่สิบสองแล้วคนนี้มัน 5.9 เอ่สอ็ดอปีอันนี้พันษาที่สี่บสองยังไม่ยังไม่ครบสี่สิบสองโยมพ่อโยมแม่ยังอยู่ใช่ไหมตอนโยมพ่อเสียแล้วแหลือแต่โยมแม่โยมแม่ก็อยู่ที่นากลือนี้อยู่ที่นากือรู้จักใช่ไหมอก็เป็นคนเก่าคนแก่ อยู่มาตั้งแต่สมัยพัายามาบุกไปแล้วย<า>องแม่มาเมื่อก่อนก็เคยมาแต่เดืนนี้มาไม่ไหวแล้วอายุเก้าสิบแล้วอันนี้ถถเขาทีนะ่ก่อนข้าไม้ดังเอ๋อใช่เีรอืม ตางจริงเลื่อก่อนนี้โยมของพ่อเราก็เคยเปิดร้านค้าไม้ตรงที่สุขาวดีนั่นแหละที่ริมถนนออ่าขายไม่กี่ปีมั้งสีห้าปีแล้วก็เลิกขายไปก็อยู่ที่ตรงนั้นเมื่อก่อนไม่ถึงตรงนั้นติดกับติดกับวัชพลลมเลยอ่ะตรงที่ตรงงือตรที่ตั้งสุขาวดีออตนั่อตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อน มาซื้อตั้งแต่ปีปีสีสองนะคะเออนานะมอันนั้นไปอยู่ตั้งแต่ปีศีนน่ยสองเนี่ยอันนั้นไปตอนนั้นที่เขาไปเปิดก็ประมาณเส็จปีประมาณปี4ีี่อืมอันตอนนี่ไปอยู่ตอนนั้นมันศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนอะอ่นานศอูนงอ เรายังไม่รู้ไปอยู่ไหนเนาะโอเคนะอันนี้ควรอันนี้ลาาลนะคะอ่าขอให้สุขให้สมหวังในทุกสิ่งทุกประการนะอ่าอันนี้ก็เป็นโอกาสของทางบ้านและวันนี้เกือบจะไม่ได้ถามแล้ว ปัญญาผมเอออยากจะทราบว่าใช่ใช่ยังมงคลคาถาเออพระอผมนะเออมีพวันตุเตพวันตุเมนี่เออยังยังไงฮะใช้ยังไงอ๋อเราก็ไม่ทราบมันต้องไปดูคําแปลเขจะบอกเออมันมีคําแปลมันก็เป็นภาษาท่านเองพวันตุเตมันก็ เราก็ไม่เข้าใจความหมายไม่ได้ไม่ได้ศึกษาภาษามาก็ต้องไปเปิดคำแปลดูนะครับขอบพระคุณครับก็ท่านนั้นมันเป็นเหมือนกับไวยากรณ์ไงภาษาภาษาบาลีเขาก็มีไวยากรณ์เรีกตัวเราว่า เมเรียกคนอ่นว่าเตงานยายนะภาวันตุเตนี่ให้คนอื่นนัดทิดเมสารนางอันอย่างนี่หมายถึงว่าสานะอื่นไม่มีเราจะมีแต่สาระเดียวเนี่ยคือเมถ้าเราสวดให้กับตัวเราพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราเราก็เรียกว่าเมถ้าพูดพูดสนสวดให้คนอื่นให้พรคนอื่นก็เป็นเตไปครจะยังมุงคนคาถา ส, ถสวดให้ตัวเองก็เป็นเม อันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งนานั้นเขาก็ให้สวดตามที่เขาเขียนไว้นั่แหละเขาเขียนว่า ไ, ไ, ได้เหมือนกันเราก็ลงไปเตยก็ได้เมย์ก็ได้การดึงการสวดนี่ไม่ได้เป็นการให้พรตัวเราเหรอกเป็นการฝึกนั่งสมาธิมากกว่าเพราะใจเราชอบคิดปรุงแต่งไปห่วงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆเลยใจไม่สงบก็เลยเอามาสวดกันสวดบทไหนก็ได้สวดได้มันจะได้ลืมเรื่องที่เราไปกังวลด้วย พอเราสวดแล้วใจเราก็สงบมีความสุขดังนั้นสวดอะไรก็ได้ไม่ต้องเข้าใจความหมายก็ได้สวดให้ใจเป็นสมาธิให้นิ่งทั้นเองถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้รู้ว่าเป็นปัญญาเป็นคำสอนว่าวิธีที่จะดาเนินชีวิตอย่างไรที่จะทาให้ใจเราสงบไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆท่านนั้นเอง ในเรื่องวัยวกรจะเป็นเมเป็นเตเ น, เตนี่ไม่เป็นไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเราอยากจะทาใจใสงบนี่สวดบทไหนก็ได้สวดอรหังสัมมาก็ได้สวดอิติปิโสก็ได้เหมือนกันสวดคำเดียวก็ได้พุโทโธพุโทโธคำเดียวก็ได้เป้าหมายก็คือให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วพอไม่คิดใจก็ว่างเย็นสบายมีความสุขเข้าใจนะ ยันตอนนี้ก็มีใครอยากจะถามไหมที่นี่รอฟังค่ะรอคำถามอ่อนอ่าอ่าเลยเข้ามาได้แนละ้วคำถามจากคุณแบงค์คุณพ่อเสียไปได้สองอาทิตย์ทุกวันจะสวดสวดมนต์บทอิสติสโสพาหุงและคาถาชินบัญชร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 งั้นถ้าอยากจะให้มันแน่นอนกว่าก็ไปใส่บาตรดีกว่าเวลาใส่บาตรแล้วเราก็มีความสุขใจเราก็ส่งความสุขใจที่เกิดจากการใส่บาตรไปได้หรือเอาไปซื้อลงก็ได้ซื้อลงไปเบอร์จากให้กับปอต็กตึงหรือร่วมกับตามอยู่อย่างนี้ทำแล้วเราจะมีความสุขใจแล้วก็อุทิศบุญส่วนนี้ไปได้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 บางที่คนเขียนก็เขียนม่วงมาอันนี้เป็นศัพท์เขาใช้คำว่าเวลาพระเดินขบวนกันไปไหนเขาเรียกว่าธรรมยาตราคือเดินเออเป็นภาษาเท่านั้นเองตามปกติความจริงเขาเดินทุ ด, ดงกันจริงๆเขาไม่ไปปนกันเป็นฝูงหรอกการทุ ด, ดงนี้ไปเพื่อไปเปรกวเวกก็ต้องไปเดี่ยวหรือไปองค์สององค์ไปแบบเงี ย, งยบๆไม่ใช่ไปแบบจุดประทัดดังไปล่านบอกชาวบ้าน ทั่วบ้านทั่วเมืองว่าฉันก็นมันจะไปทุดงนะอันนี้มันไม่ได้เป็นทุดงมันเป็นการอวดทุดงเข้าใจ ไ, ไ, ไม่โตทุดงทุดงโชว์ทุดงจริงๆก็ไม่โชว์หรอกไม่มีใครรู้หรอกเวลาคนที่เขาไปทุดงกันเขาฝ่ายกันเยี่ยมเยียบเขาไม่ต้องการให้คนไปติดตามเข้าใจไหมเการต้องการไปปีกวิเวกหนี้คนตันว่าทุดงนี่ไปว่ากเป็นการหนีคนไปปีกวิเวกไปอยู่ในปานใ่าในเขา ไม่ใช่มาทําเป็นทู่ดงโชว์แล้วก็มีคนคอยเดินติดตามถ่ายทีวีไปตลอดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทู่ดงแล้วคำ ถ, ถามจากคุณในายประพรทุกวันนี้เราต่างหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดเพราะบุญคือความสุขความปลอดภัยคือความสบายคือการสละออกให้ใจเรามีแต่ความเบาขึ้นหนูรู้สึกดีและเบาทุกครั้งที่ได้ทําค่ะแต่มีบางแว็บเที่ยววินาทีนึง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 แล้ก็จเจริวิปัสสนาแล้วถึงจะได้บุญเต็มร้อยถ้าเปรียบเทียบก็บุญที่ได้จากการทําทานก็ประมาณร้อยละยี่สิบเนี่ยแล้วบุญที่ได้จากการรักษาศีลก็เพิ่มเป็ น, 100 30, นร้อยละสามสิบสี่สิบเลยหกสิบนี้ก็ต้องไปภาวนาสมถภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะได้บุญเต็มร้อยเมื่อเต็มร้อยแล้วก็หยุดทําได้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 มีเต็มร้อยแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วเติมน้ำไปอีกเท่าไหร่มันก็ล้นแก้วออกมาอันนี้เป็นการทำบุญของพาอาาระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทำโดยที่ไม่ได้หวังบุญอะไรทำไปเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ช่วยเหลือให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันด้วยการสั่งสอนด้วยการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง พระอาจับแล้วจริงไหมครับที่เขาบอกว่ายิ่งไม่ไดักไม่อยากได้บุญเนี่ยบุญยิ่งเยอะกว่าเดิมครับอาจาอ๋อไม่หรอกไม่ไม่อยากได้มันก็ไม่ได้เลยมันต้องอยากได้บุญมันจะได้ทําบุญไม่อยากได้บุญแล้วบุญมันจะมายัางไงเอ๋อหมายหมายก็ว่าเวลาทําบุญแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ต้องการอยากได้บุญในการกระทําหมือนอ๋อคือการทําบุญนี่เหมือนการ ก, ารกินข้าวจะอยากอิ่มไม่อิ่มมันก็อิมอ่มป้าใจไหมออั๋อยากค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 ก็คือความสงบเนี่ยคําถามจากออสามีพี่พัชราปากถามมานะครับหากพระที่มีลูกศิษย์เลื่อมใสามากๆปรามาณว่าพระอาจารย์ข่าใครอย่าแตะแต่ผมฟังแล้วว่าท่านไม่ได้สอนธรรมะตามพระพุทธเจ้าหรือพระแท้สอนผมไม่ศรัทธาจะผิดไหมครับไม่ผิดหรอกศรัทธานี่มันเป็นเรื่องของเราเราจะเลือก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 ใช่ไหมเวลาเราจะส่งลูกไปโรงเรียนนี่เราก็เลือกโรงเรียนใช่ไหมอยากจะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเรียนลูกเรียนออกมาแล้วจบแล้วจะได้ทํางานทําการมีงานทําการมีเงินมีทองเพราะเรียนจบจากโรงเรียนดีมานี่จะมีงานรออยู่เลยถ้าจบจากโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงบางทีเขาไม่อยากจะจ้างเพราะเขาไม่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนกันอ่ะการที่เราไป มีศรัทธากับพ้าอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งก็เหมือนกับการเลือกโรงเรียนถ้าอาจารย์นี้มีชื่อมีเสียงลูกศิษย์ที่ไปเรียนกับท่านเรียนจบแล้วเขาได้ดิบได้ดีกันเราก็อยากจะส่งให้ลูกเราไปเรียนที่ตรงไปกับอาจารย์คนนี้อันนี้ก็เรื่องของศรัทธาเหมือนกันจะศรัทธากับรูปนั้นรูปนี้หรือไม่ศรัทธากับรูปนั้นรูป น, น, ปนี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใด <c oughs> อาจารย์ครับผู้ฝังถามว่าเวลาคนทําบุญแล้วอ่าพูดคําว่าสาธุเนี่ยแปลว่าอะไรและหมายความว่าอะไรครับพรอาจารย์คำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วอชอบแล้วออในเวลาใครก็ทําบุญแล้วก็สาธุาดีแล้วชอบแล้วทําไปเถิดเนี่ยควาหมายเป็นอย่างนั้นเวลาเวลากล่าวคําถวายเสร็จก็สาธุกันเนี่ยอขอถวายเอสังฆทานให้กับพระสงฆ์เพื่อความสุขและความเจริญเนี้ย พอถวายเสร็จคนที่เข้าร่วมก็กลาวสาธุดีแล้วดีแล้วชอบแล้วทําถูกแล้วเความหมายกันอย่างนั้นค่ะครับไม่เหมอนกันการที่เราฝึกสมาธิเพื่อความสงบอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สติเนี่ยตามรู้ตารทำอรทาอรมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าถามก็ไม่ได้ให้ตามรู้หรอกให้รู้ทั น, ใ ห, ทนให้รู้ทันแล้วหยุดมันมถ้าไปตามรู้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนตามวัวมันวิ่งไปก็วิ่งไล่ตามมันนี้เราก็เหนื่อยสิ เราตามเราต้องการตามวัวเพื่จะจับมันมาผูกไว้แล้วมันจะได้ไม่ไปเพ่นพ่านไปสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาจิตของเรามันชอบไปสร้างปัญหาต่างๆแล้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาเราจะเลยสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆก็ต้องเท่าทันอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นต้องหยุดมันให้ได้เหมันก็มีสองวิธีหยุดด้วยการดึงไว้สติเรียวกว่าดึงไว้วิธีสองก็หยุดด้วยการฆ่ามัน ฆ่าอารมณ์ก็เกิดไปฆ่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาต้นเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็คือความอยากต่างๆของเราพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้วิธีนี้ตอนต้นไม่มีใครรู้วิธีนี้รู้จักวิธีดึงไว้เท่านั้นเองแต่ดึงไว้มันไม่ตายพอปล่อยปั๊บมันก็วิ่งออกมาอีกนี่พระพุทธเจ้าบอกไม่ไหวนี้ก็ต้องคอยดึงมันอยู่เรื่อยๆก็เหนื่อย<ม>ก็เลยหาวิธีใหม่ก็เลยเจอวิธีว่าต้องฆ่ามันวิธีฆ่ามันก็คือเนี่ย ไปฆ่าต้นเหตุของมันต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาต้นเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์ีก็คือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสามตัวนี้เังนั้นพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาเราต้องหยุดมันทันทีอย่าไปปล่อยให้มันโอโผล่ขึ้นมาถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาแล้วอารมณ์ต่างๆจะไม่มีใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบายอันนี้คือเป้าหมายของการดูจิตไม่ใช่ดูเฉยๆ ดูเพื่อหยุดอารมณ์หรือดูเพื่อค่าอารมณ์เนี่ยมันก็จะไม่ตายมันก็ต้องดูไปจนมันตายดูไปเรื่อยๆดูแล้วมันก็กลับมาใหม่ดูแล้วมันก็กลับมาใหม่มมหมครับถามต่อเนื่องจากพี่พัชรานะครับออนอกจากไม่สรัทธาแล้วถ้าไม่กลับไห้ผิดไหมครับก็ไม่ผิดถ้าเราไม่ไปเจอท่านแต่ถ้าเจอท่านถ้าท่านเขามีธรรมเนียมเจอพระก็ต้องไหวก็ว่าไป แล้วมันก่ไหว้พระพุทธรูปเงยงนี้แล้วก็ไหว้ไปเท่านั้นเองเป็นธรรมเนียมเป็นมารายาทไม่ให้เสียมารายาทก็มีคำพูดว่ า, าไม่เชื่อก็อย่าลบลู่เข้าใจไหมคำถามจากคุณลิตาเป็นคนชอบฝึกโยคะมากคือฝึกเพื่อว่าแก่ตัวไปจะได้ไม่เป็นภาระใครถ้าอยู่ถึงแก่อยากถามว่าความชอบออกกำลังกายถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งด้วยไหมคะ ถ้าทำโดยประมาณเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขก็ไม่เป็นกิเลสเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเราต้องดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติเอออันนี้แต่ถ้าทำแบบหมกมุ่นอยากจะให้มันดีสุดๆอะไรเงี้ยทำแบบสุดๆทำแบบเกินเหตุเกินผลอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นกิเลสทำพอประมาณก็พอคำถามจากคุณวาสนา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 อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องเท่านั้นเองคนที่เราไม่รู้จักถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ยังช่วยเหลือกันอยู่อันนี้เป็นเรียกมนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์มนุษย์มีความเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันมนุษย์เราจึงอยู่สุขสบายกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานนี้เขาไม่มีการดูแลช่วยเหลือกันมันเดรัจฉา น, นี้ตัวใครตัวมัน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 การสวดภายในใจเห็นการสวดภายในใจได้ดีแล้วถ้าสวดเพรียงคําเดียวได้ยิ่งดีใหญ่เพราะใจยิ่งจะสงบได้มากขึ้นจะสวดพุทโธพุทโธคําเดียวอย่างเนี้ถ้ายังที่เราไปสตามร้านเลขที่เขาสวดแกงมากๆออกเสียงแต่เราไม่ออกเสียงเราเราสวดในใจก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้เพียงแต่ว่าถ้าจะทําให้คนที่เราไปสวดด้วยเขา<ม>เขามีความรู้สึกไม่ดีเราก็ต้องทําตามเขา เดี๋ยวก็จะหาว่าเราเอาเปลี่ยนเราไม่เขาสวดกันเหนื่อยไม่ออกเสียงแล้ว <c oughs> ก็แล้วแต่เรื่องการละเทสะถ้าไปสวดกับเขาเขาบอกให้ออกเสียงก็ต้องออกเสียงกับเขาแต่ถ้าเราสวดคนเดียวเราก็ไม่ต้องออกเสียงสวดพุ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มพันพุ่มพันไปพันยใจเราก็ได้คำถามจากคุณเจีย๊ยบอาการของจิตรวมเป็นอย่างไรครับจิตจะมีอาการรวมสว่างโล่งเหมือนโลกดับ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 สิปากว่าเท่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะยังไม่อยากจะปากเปรียกปากฉีกเล่าเรื่องผลว่ามันรู้สึกยังไงก็ขอให้ลองนั่งดูก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพอมันถึงบัมมันก็จะร้องอ๋อเองอ๋ อ, อ, อเป็นอย่างนี้เองค่ะถามจากคุณเทพฟ้าโสดาบัมต้องพักต้องบำเพ็ญบารมีกี่ชาติคบถึงจะสําเร็จครับถ้าไม่เจอพระเจ้าก็ต้องบำเพ็ญไปแบบน้ำไม่ท่วนเะนี่ย แต่ถ้าเจอพระพุทธเจ้านี่เจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดปีก็ได้แล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความเข้มข้นของการปฏิบัติของเราถ้าเราเข้มข้นมากปฏิบัติมากแล้วเราฉลาดมากก็บางคนแค่เจ็ดวันพระพุทธเจ้ารับรองไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าเจริญสติในสติปัฏฐานสี่ได้เจริญปัญญาในสติปัฏฐานสี่ได้ก็จะบรรลุพได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยบรรเทมไปอีกเจ็ดกับก็ยังไม่ได้เพราะเราไม่มีความสามารถเหมือนกับพทุทธเจ้าที่จะที่จะบรรเ็มและบรรลุได้ด้วยตนเองคำถามจากคุณการนาหากปิดาระะไม่สามารถทําวัดเช้าทาวัดเย็นได้แต่ถ้าเปิดเสียงสวดมนต์จากอินเทอร์เน็ตไว้ที่ห้องพระแทนจะได้บุญหรือไม่คะ พอไม่ได้หรอกมาเราต้องสวดเองการสรวดนี้เพื่อทําใจให้เราสงบการเปิดเสียงนี่มันไม่ได้ทําให้ใจเราสงบคําถามจากคุณแบทแมนภาวนาคืออะไรครับไม่ทราบว่าหมายความว่าหมายถึงการนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งที่ปรารถนาหรือไม่ครับ เ, เหมือนกับเวลาคนบอกว่าอยากได้อะไรก็ให้ภาวนา อันนั้นอันนั้นเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งความหมายของการภาวนาที่แท้จริงก็คือการพัฒนาจิตใจคําว่าภาวนานี้แปลว่าพัฒ น, น, น, นาจิตใจมีอยู่สองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสามถภาวนาทําใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเรียกว่าทําใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาดนี้คือการพัฒ น, นาจิตใจเหมือนกับการไปเรียนหนังสือเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจ แต่เป็นความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมนี้ต้องภาวนาต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาอย่งภาษาไทยเรานี้จะยืมภาษาบาลีมาแล้วมันก็เลยมาแปลงคําหมายไปเพี้ยนได้หมดเยคําว่าภาวนาก็เลยกลายเป็นขอนู่นขอนี่เหมือนกับคําอธิษฐานก็เหมือนกับแปลว่าขอนู่นขอนี่กันแต่ความหมายเดิมของคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจ ตั้งใจที่จะทำอะไรที่ดีนี่เรียกว่าอธิษฐานนอย่างพระพุทธเจ้านี่ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรูุถ้าไม่ตัดสัลุก็จะไม่รู้จากที่นี่ไปอันนี้เรียกว่าอธิษฐานไม่ได้ขอไม่ได้ว่าจะนั่งขอจนกว่าจะตัดสัลุขอไม่ได้จะนั่งจะต้องปฏิบัติจะต้องภาวนาคำถามจากพิชภัชรายครั้งนะครับก็จะคือ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 เป็นท่านกําลังไปสร้างโบสถร้างเจดีย์หรือทําอะไรเราก็ไม่ร่วมบุญกับท่านได้ถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณกับคนที่เขามีชีวิตอยู่เราก็ตอบแทนด้วยการเอาข้าว เ, เอาของเอาเงินเอาทองไปให้กับเขาแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเราให้เงินทองเขาไม่ได้เราก็เลยต้องทําบุญส่งไปแทนพระรูปนี้เนี่ยบางเพนได้อย่างไรบ้างเขาจะยังมีชีวิตอยู่ แต่มอบกายให้ผู้อื่นได้ครับอาจารย์ได้ก็อาจจะเป็นพี่น้องกันหรืออาจจะเป็นญาติกันหรืมีความเมตตาเพราะท่านตายหนึ่งท่านก็ยังอยู่ได้แล้วท่านมีความเมตตาสงสารถ้าไม่ให้ตายเข า, เขาไปเขาไปเขาก็ตายเขาก็ได้ได้ชีวิตจากท่านอันนี้ก็เป็นการบริจากที่แท้จริง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 รู้สึกสบายตัวเบามีความสุขมากๆใช้อาการจิตรวมหรือเปล่าครับแล้วอาการแบบนี้เกิดนานไหมถ้าหากมีคนมาเรียกขณะนั่งสมาธิคือมันมีความสงบหลายระดับนและระดับที่มันเริ่มต้นก็รู้สึกเบาๆสบายแต่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆได้ยังมีความคิดอะไรอยู่ได้อ น, นี้ก็ยังไม่ถือว่าสงบเต็มที่ถ้ายังพูดโธได้ก็ควรจะพูดโธต่อไป มันจะไปถึงจุดที่มันหยุดกึ๊เกเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างนิ่งสงบเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหวไปอย่างนั้นมันถึงจะสงบอย่างเต็มที่คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจิตสุดท้ายก่อนตายจะทําอย่างไรไม่ต้องไปอบายคะและจะมีอุบายอะไรจะควบคุมจิตก่อนตาย อ, อ๋อก็ต้องทําตั้งแต่วันนี้ไง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 มีพระพุธเจ้าตรัสรู้แล้วเรามาเกิดในจังหวะนั้นเราก็ได้ได้เจอแค่มันเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าเหมือนปู่ย่าตายายของเราที่ร้อยปีก่อนนี้ถ้าเขาเกิดเมื่อช่วงร้อยปีก่อนเขาก็ไม่มาเจอจุลาธรรมศาส์ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เรียนจุลาธรรมศาสตร์แต่พวกเรามาเกิดช่วงนี้มีจุลาธรรมศาสตร์ให้เราเรียนกันแค่มันไม่ได้เป็นเรื่องของบุญหรือบาปที่เราทําไว้มันเป็นเรื่องของโอกาสเรื่องของจังหวะ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 จากศาสนาไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปตรงนี้น่าเสียดายนียมาเกิดเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยแม่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีศาสนาพุทธมีคนที่เป็นชาวพุทธถึงเก้าสเอร์ซนเนี่ยแต่เป็นผูจ้จริงๆสักกี่คนพุทที่สนใจที่จะเข้าวัดอย่างพวกเราวันเนี้แม้ไม่มีมีมากันสักกี่คนอาจารย์ก็ถึงที่แสดงว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เราเราเคย ได้พบในในอดีตในศาสนาสิคก็แสดงว่าเราอาจจะไม่ศาสนาพุทธก็ได้อาจจะศาสนาที่สอนคล้ายเคืงกันแต่ไม่ถึงขั้นสูงสุดเนี่ยมีศาสนาพุทธทนั้นที่สอนถึงขั้นสูงสุดขั้นพระนิพพานแต่ศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสอนให้ทาบุญทำทานให้รักษาศีลกันเราก็สามารถที่จะเข้ามหาศาสนาพุทธได้อย่างชาวต่างชาติบางคนเขาเกิดเมืองนอกเมืองนาเลย าอาจจะไม่เคยเข้าศาสนาพุทธมาก่อนแต่เขาเคยเข้าวัดของเขาวัดเขาก็สอนให้รักษาศีลให้ทําบุญพอเขามาอา่านหนังสือธรรมะเขาก็เห็นว่ามีการปฏิบัติที่สูงกว่าที่จะได้รับจากพ่อพุทธศาสนาเขาก็มาบวชที่เมืองไทยกันเราต้องเตรียมตัวเราก่อนให้พร้อมที่จะสมือนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้เราต้องเรียนจบม .6 ก่อนแล้วลาไปสอบเอนทาน ถ้าเราไม่เรียนจบมาหกถึงแม้จะมีมาวิทยาลัยใหญ่โตมาตั้งอยู่ในประเทศไทยเราก็เข้าไม่ได้เพราะเราไม่พร้อมดั <c oughs> งนนการทำบุญทําทานรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเราให้พร้อมเผื่อเวลาโอกาสหน้าถ้าสมมติว่าชาตินี้เราไม่บรรลุไม่หลุดพ้นเนี่ยด้านหน้าเรามาเจอาศาสนาพุทธอีกครั้งเราก็จะได้ทาต่อไปเรียนต่อได้เลย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 ้เออทำให้มากสิถ้าทําน้อยก็ต้องทาให้มันมากสิคนที่ทํามากก็ไม่ต้องทํามากเหมือนคนที่ตักน้ําใส่ถุงเนี่ยคนนึงตักไว้เกือบเต็มถุงแล้วพอมาตัดต่อยสองสามขันมันก็เต็มใช่ไหมคนที่ไม่เคยตักน้ําใส่ถุงแล้วมันก็ต้องเหน่อยหน่อยนะมันถึงจะเต็มอแต่มันก็เต็มได้เหมือนกันขอให้เราตักเท่านั้นเองขอให้เราทำเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ได้แอ่ว่า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 แล้วห้ามเสียงนกเสียงกาได้ไหมอ่านั่นแหละก็คิดว่าเสียงคนที่เขาพูดนี่ก็เป็นเสียงนกเสียงกาไปปล่อยเขาพูดไปเราอย่าเอามาใส่ใจคําถามจากคุณจอย <c oughs> อยากเริ่มสมาธิขั้นต้นในชีวิตประจําวันเริ่มอย่างไรดีคะเริ่มที่สติก่อนต้องสร้างสติก่อนอถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบนั้น <c oughs> ต้องฝึกสติก่อน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 เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ท่านั้นเองถ้ากลัวยังคิดแบบนี้ไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนหรือคิดหรือถ้าจะคิดให้หายกลัวก็ว่าอย่างมากมันก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้แต่มันก็จะหายกลัวถ้าเขาจะทําเราก็อย่างมากก็ทําให้เราตายเท่านั้นเองทําให้ร่างกายเราตายแต่เราไม่มีวันตายสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เรางั้นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปแล้วเราก็จะหายกลัว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 วันนี้โอกาสเนี่ยดีที่สุดแล้วที่มีมพระพุทธศาสนาจะเป็นหญิงเป็นชายก็ปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะจิตของหญิงจิตของชายก็เป็นจิตเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันมีธรรมเหมือนกันสร้างธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันังนั้นไม่มีโอกาสอันไหนจะดีเท่ากับวันนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้ถูกรอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งแล้วยังระบอกจะไม่ขึ้นรางวันจะขอรอให้ออกงวดหน้าก่อนแล้วค่อยไปแทงใหม่ส่วนอันนี้ขอโยนทิ้งไปอย่างนี้ก็โง่หรือบ้าเท่านั้นแหละ กระจายมไหอตอนนี้ถูกรางวัลแล้วไปขึ้นรังวันเสียไปปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติปั๊บมันก็ได้รังวันแล้วคำถามสุดท้ายจากคําถามจากคุณครับมีข้อสงสัยว่าเหตุอันใดที่ส่งผลให้เราเกิดเป็นคนคนนี้มีครอบครัวแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็บุญกับบาป ท, ที่เราทําไว้เนี่ยแหละที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดมาเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้าง รวยบ้างไม่รวยบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้อยู่ที่บุญกับบาปที่เราทําไว้ถ้าบุญมากก็จะรวยมากสวยมากถ้าบุญน้อยบาปมากอย่างนี้ก็จะไม่สวยไม่ไม่รวยแห่งนี้เป็นเรื่องันที่สองของผลบุญผลบาปที่เราได้ทํากันไว้ในชาตินี้และชาติหน้ามันก็จะส่งผลให้กับการเป็นของเราในชาติต่อไป เพราะน้นเจ้าจึงสอนให้ทําบุญละบาปแล้วรับเองได้ทุกภพทุกชาติจะดีขึ้นไปไเรื่อยๆทําบุญมากๆขึ้นละบาปให้หมดแล้วเกิดมาทุกชาตินี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆรอเราอยู่หมดแล้วนะอ่านคำถามมาถมหนึ่งคำถามจากคุณนลินพร <c oughs> คนที่เคารพเทศหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆหรือสื่อได้ทางจิตเราบูชาความดีของเทศหรือเทววุสติ เพรผิดไหมครับคนกลุ่มนั้นจะหลุดลพ้นมรรคฐานได้ไหมครับอ่าไม่ผิดหรอกแต่ไม่หลุดพ้นไม่ได้เทพนี้ก็ไม่มีความสามารถที่จะสอนให้คนหลุดพ้นได้ต้องพระพุทธพระพุทธเจ้ากับพระหลานตาสาวกเท่านั้นที่จะสอนให้หลุดพ้นได้ถ้าเปรียบเทพก็เหมือนกับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีตัวอาจารย์ที่จบปริญญาเอกไม่ได้ถ้าอยากจะจบสูงๆชั้นสูงๆนึงต้องไปเรียนอาจารย์ที่จบปริญญาเอก อาจารย์ที่จบปริญญาเอกก็คือพระพุทธเจ้าพระาหลันตสาวกพวกเทพนี่เขาระดับปริญญาตรีเท่านั้นองังนั้นไปไม่ถึงพระนิพพานเขาไปได้แค่ชั้นสวรรค์ชั้นเทพถ้าไปตาบไหว้พวกพรหมก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมตัวนี้ก็ระดับปริญญาโทถ้าปริญญาเอกก็เนี่ยไปพระนิพพานกันหมดแล้วนะอะอา่ ส่งทายส่งท้า ย, ายเราเองเป็นผู้ปรุงจิตเองใช่ไหมคะไม่หรอกคือความคิดของเราเป็นผู้ปรุงแต่งจิตตัวที่ปรุงแต่งจิตก็คืออวิชชาความหลงกิเลสตัณหาของเราเป็นตัวปรุงแต่งให้เราไปคิดในทางกิเลสตัณหากันเราจึงต้องมาศึกษาธรรมะแล้วเอาธรรมะมาแก้ความคิดที่เป็นกิเลสแล้วต่อไปธรรมะก็จะสอนให้เราคิดไปในทางธรรมคิดไปทางธรรมก็จะพาให้เราไปนิพพาน